สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกันวันนี้กันอีกแล้วนะคะกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะทุกลานาทีมีค่าอยากให้ท่านฟังนั้นได้สัมผัสกับคำสอนของพระพุทธองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้รีบเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันซึ่งเป็นชีวิตที่ ถ้าเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เหติต้องบอกว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะคะวันนี้พระมาชาควโรซึ่งท่านจะได้นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งกับนำพระสูตรที่สำคัญสำคัญและสมควรจะรู้มาบอกกับท่านุฟังวันนี้ก็ได้กราบเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าจะแนะนาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานสตินะคะขอเชิญท่านุฟังทุกท่านได้พบ ก, กับ ท่านมาร์กนะคะพระมาร์กชาคาวะโรวัดนาปาพงลำลู ก, กาคลองสิบกันเลยค่ะน้อมสักการาะใช่ไหมคะเจริญพรวันนี้เราก็มาปฏิบัติทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าทํากิจการงานด้วยการมีสติรู้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะอ่านพระสูตรกับอาณาปานาสติให้ฟังแล้วก็มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอทีนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึง การเจริญอาณาปานสติกับพระอนุ์ไว้ว่าอา น, นุนอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรียนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก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 ทำกายะสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำกายะสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าการมาเจริญอนาปานสตินั้นเป็นการเจริญสติปัฏฐานด้วยเหมือนกันอย่างในหมวดของกายานุปัสสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้น ทำกายสังขารให้รำงับอยู่นั้นท่านได้ตรัสว่าสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโท ม, มนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเป็นการที่เราตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดกายานุปัสสนาแล้วในระหว่างที่รูลมหายใจนี้หากจิตเราหลุดไปคิดในความสุขความทุกข์ความคิดในอดีตความคิดปรุงแต่งในอนาคตก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียที่เรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินมาตั้งจิตอยู่กับลมหายใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงอ น, นิสงค์ของอานาปานาสติที่สามารถดับ อ, อกอกุศลธรรมได้ทุกชนิดท่านตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธินี่แลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุ ข, ขวิหารและย่อมยางอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรารานไปให้รำงับไป โดยควรแก่ฐานะได้ดังนี้สำหรับวันนี้เราก็ทดลองทำความเพียรด้วยการนั่งสมาธิมาสมควรแก่เวลาก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อในใคลายอิริบทขึ้นมาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็พอตอานี้นมัสการขอบพระคุณท่านมากนะคะแต่ว่าขออนุญาตถามต่อ น, นิดนึงเพราะว่าเห็นท่านได้ติด หนังสือเล่มใหม่เอี่ยมล่าสุด เ, เขียนว่าพุทธวจนะอาณาปานาสติโดยพระตถาคตเลย <c oughs> นี่เป็นรวบรวมพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสอนอาณาปานาสติจากพระไตรปิฎกบาลีสยมรัทั้งหมดที่เท่าที่นั้นได้ตัดไวนำมารวบรวมแล้วก็ทำเป็นเล่มก็คงจะมีการแจกให้กับท่านฟังด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตที่จะแจกวันละหนึ่งเล่มก่อน เอาไว้ให้มีหนังสือเยอะๆแล้วก็จะพิจารณาดูว่าสมควรแจกเพิ่มหรือเปล่าท่านค่ะที่ฉันอ่านในคำนำมีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากที่บอกว่าพระพุทธองค์ทรงเผยว่าอนาปาณาสตินี้เนี่ยนำไปสู่วิชาวิมุตได้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้แม้ลมหายใจเดียวภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นการปฏิบัติที่ตรงวิธีในแบบที่ระบุโดยมัคควิถูผู้รู้แจ้งมัค คือจากการบอกสอนด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าเองโดยตรงเท่านั้นใช่ซึ่งพระพุทธองค์ได้บอกลาดับขั้นถึงการที่จะสามารถเดินไปสู่วิชามุจจากการที่เรารู้ลมภายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพระสูตรศึกษาจากหนังสือเราแจกให้บาเลเรมนะคะแต่ส่วนของการที่ท่านจะฟังวิทยุแล้วก็ปฏิบัติไปโดยที่ท่านมาร์กเนี่ยก็ได้ อาราฒนาเอาคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมาบอกสอนท่านผู้ฟังกันเป็นประจำในรายการสันสนีสนธนานี้ลคะค่ะน้มสักการขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวรเราไปพบกันในช่วงต่อไปนะคะ